พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าชนะใจตนนั่นละชนะเลิศ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราช25ัอห้าวันนี้พระในวัดของเราสี่สิบหกลงมาฉันส0มสิบลงมาชันสาสิบลูกงดฉันส6บหมีนาคอีกหนึ่งวันนี้รู้สึกเมื่อคืนฝนตกแรงนะคระับนักทายญาติโยมลูกหลาน รู้สึกในน้ำใ้เนื้อเมื่อคืนเนี่ยถังถังเมื่อวานหลวงพ่อบน่นพญาแถนคงได้ยินเสียงหลวงพ่อมั้งพอพระอินทร์พูดใช่ไหมล่ะพระอินทร์บ่นเลยได้จิน <c oughs> ได้ยินถนึงพระยาแถนเมื่อวานหลวงพ่อบอกเออพร ะ, ะช่วยๆกันดูถังน้ำเนอะพอมันเดือนกันยาแล้วเนี่ยถ้า สิงหาเนี่ยมันเป็นเดือนเก้าแล้วนะเนี่ยอ่มันเป็นเดือ น, นเก้เา ด, ดับแล้วเนะพราะเดือนสิบเพ็เนี่ไปว่าฝนเนี่เต็มที่หมดละหมดละถ้าถึงถึงเดือนตุลาแล้วเดือนสิบแล้วฝนเกือบหมดแล้วนะบางเว้นเสียแต่บางปีหลวงพ่อจึงให้พระช่วยๆกันดูเรื่องถังน้ำน้ำฝนในวัดนะ แต่พอเมื่อคือนเนี่ยฝนเทลงมาให้โอ้คิดว่าน่าจะเพียงพอเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าฝนตกแรงแล้วก็ไม่มีลมไม่มีฟ้าอีกต่างหากตกสวยงามมากเมื่อคืนเนี่ยเราก็พระเมื่อเช้าน่งคงจะฝนอย่างไม่หยุดมั้งครูบาก็เลยงดฉันไปเลยตั้งสิบหกองมื่อเช้าน ลงมาชั้นเพียงสามสิบรูปนะถึงยังไงพวกผู้สูงอายุไม่ว่าผู้สูงอายุละพระในวัดของเราเนะ่เมื่อก่อนข้าพรรษากันองค์หนึ่งละเดินไม่ระมัดระวังพอในพรนษาฝนตกอย่างนี้นะ่ะกีตะไคร่มันสีเขียวนะเกาะในปูนซีเมนแต่ถึงยังไงก็ให้พวกครูบา ก่าเราช่วยกันแนะนํากันหรือศรัทธาญาติโยมอยู่ในวัดก็เหมือนกันนะรองเท้ารองเท้าฟองน้ําราวเทียมแจกกันให้ทั่วถึงอย่าไปใช้รองเท้าแข็งแข็งแต่พอใช้รองเท้าแข็งแขงอ่ะเดี๋ยวไปเหยียบปลั๊กเดียวนะหงายหลังเอาแขนลงแล้วเอาศอกลงมันพร้อมที่จะแขนหักขาหักได้ทั้งนั้นแหะ เพราะนั้นต้องระมัดระวังเนระื่อในพรรษาในวัดของเราถ้าทุกคนมีความระวิงระวังระมัดระวังเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดบังคงไม่เกิดขึ้นมาได้เพราะเราระวังมันอยู่แต่ว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใ จ, ใจเดินแบบสุ่มซ้ำไปเรื่อยที่ไหนมันลื่นๆเขียวๆก็ไปเหยียบมันรองเท้าก็รองเท้าอะไรก็ไม่รู้เคยใช้มาอย่างไงก็เคยใช้อย่างนั้น มันต้องปรับเข้าสถานะสถานการณ์ในอย่างนี้เราควรจะใช้รองเท้าอะไรนะเราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าแข็งแข็งเคยใส่หมยังไงเคยใส่พอใส่มันหงายปลัดทีเดียวไนดะ้แปลว่าชีวิตทั้งชีวิตของเรานะหมดสภาพเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมหมดสภาพว่าขาหักละ่ะแขนหักละ่ะ เออมันเดินไม่ได้แต่ทําไงปวดให้สูกันเลยลูกหลานเขาก็หามเหยนั่นหลวงพ่อนี่กลัวมากเลยจุดนี้วันนั้นหลวงพ่อไปที่ไหนอย่างฝนฝนตกอย่างวันเนี้ยหลวงพ่อก็ต้องเอาไม้เท้าค้ายันมาอันหนึ่งเหมือนกันนะเออแ ต, แต่ทั้งที่ทั้งที่หลวงพ่อก็ไม่อยากจะใช้ไม้เท้าหรอกเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นคนแก่ใช่ไหมละ่ะเออ คนแก่ก็ไม่ยอมแก่เหมือนกันนะแต่ถึงยังไงเราต้องความปลอดภัยต้องเอาไม้เท้าค้ำยันอย่างๆงลงไปด้วยหันเลื่อนไม้นั่นหมะอันนี้ ค, คือความปลอดภัยไม่มีใครที่จะรับผิดชอบชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเราต้องรับผิดชอบอันนั้นอันดับแรกถ้าเราเสือเพอ ไม่ใส่ใจถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันเป็นภาระของคนอื่นแต่มันสุดวิสัยมันก็อีกอย่างหนึ่งนะมันสุดวิสัยแล้วเรารักษาเต็มที่แล้วนะมันสุดวิสัยเราก็จะทำยังไงได้ถือว่าเป็นกรรมแต่ถือยังไงก็เวลาเดินก็ให้ดูตุ่มๆ ต, ตรงกลางนะที่เราทำให้เดินี่พระที่ทาทำให้เดิน มันมีอยู่สองข้างนะตรงตรงกลางหนะ้าเซนติเมตรถนนทุกเส้นนะนะเวลาเทเทลงไปก็มีทําเป็นหินมันโผล่ขึ้นมาสําหรับใส่รองเท้าฟองน้ำเยียบตรงนั้นนะ่ะรับประกันรับรองเนยะมันจะไม่รื่นนะเพราะมันเป็นหินตุ่มๆขึ้นมานี่อ น, ะนีดูนะพวกเราช่วยๆกันช่วยตัวเองนะนะั่นแหละ อย่างไปด้วยความซุ้มซ่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็นอย่างว่านะ่ะมันเป็นมีปัญหาปัญหาของตนเองนั่นแหละผลให้สู่ก็เลยเสียใจก็ได้แต่เสียใจเท่านั้จะทํำยังไงได้เพราะตัวเองขาดความรอบคอบนะนี่ในวกรรมในปัจจุบันปัจจุบันนักกรรมปัจจุบันนักรรมคือเราขาดความรอบครอบในปัจจุบัน เพราะนั้นเราต้องให้รอบครอบในปัจจุบัน ถ, ถ้าเราทำดีในปัจจุบันเราครอบครอบในปัจจุบันมันก็ไม่มีอันตรายไม่มีอะไรถ้าหากว่าเราไม่รอบครอบในปัจจุบันทั้งที่รู้ว่ามันจะรื้นก็เป็นหินเขียวเห็นเห็นอยู่แล้วแต่ความเลืน่นเลอะมักง่ายเดินชุ่มซ้าเข้าไป พอมันหงายท้องเนถะะเราจะว่าอยคงจะเป็นบาปกรรมในอดีตข้าคงจะทำอะไรมาใช่อันนั้นก็มีส่วนแต่ปัจจุบันกรรมที่มองมองเห็นอยู่แล้วนะทำไมไม่ระมัดระวังเนะพราะนั้นในพวกเราเนอะเรื่องฝนตกอย่างนี้หลวงพว่อเป็นห่วงเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะที่อยู่ในวัดทโหกล้มลงไปแล้วเนะี่ยเอา มือลงไปค้ำมก็ข้อมือมันจะหักแบะนะเพอเพอเอาศอกลงไปแขนมันจะหักอีกอันตรายทั้งนั้นและในนี้ก็คือการดูแลร่างกายถ้าว่าเราไม่รักษาเนะี่ยก็เหมือนกับรถนะร่างกายเหมือนกับรถนะถ้าเราใช้ด้วยความระมัดระวังรถก็นั้นก็ใช้ได้นาน ถ้าหาว่าใครไม่ระมัดระวังเห็นหลุมเห็นบอกกโดดลงไปเลยขับไม่ปลาหนีปลาใสอีกไม่นานนะ่ะคนหนึ่งใช้ด้วยความระมัดระวังคนหนึ่งใช้ไม่ระวังนะมันต่างกันนะเลยเห็นดับแ้วก็ช่วงล่างนะพังมดนะพออะไรั อ, อกระโดดหลุมไม่ระมัดระวัง นี่ก็เหมือนกันนะั่นแหะร่างกายของเราเราจะทานอาหารอย่างไรทานนอนพักผ่อนอย่างไรเราก็ต้องทนุถนอมพอสมควรแต่ถ้ายัางไงถ้ารักษาดีแล้วถ้าเรารักษาสุดความสามารถแล้วมันก็จะทำอย่างไงได้เกิดแก่เจ็บตายเราจะไปทนทีทะนุถ น, นอมแต่ร่างกายอย่างเดียว จนเป็นทุกข์กับร่างกายก็ไม่ถูกอีงเหมือนกันนะต้องให้รู้รักษาดีเท่าที่ควรมันถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะนะเราต้องทำในใจไว้ในใจคิดไว้ในใจเราจะรักษาร่างกายนี่ขนาดดีขนาดขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งอาจจะถึงจุดจบของมัน ไม่อันไหนต้องอันหนึ่งอบางทีเห็นไหมล่ะพวกเราท่านทั้งหลายเห็นลถความบ้างตกเครื่องบินบ้างต่างเยอะแยะไปหมดเลยจะรักษาดีขนาดไหนอผลในสุดมันสิ่งที่สุดวิสัยมันมีอยู่อันนั้นเราก็ต้องเชื่อกรรมสรุปแล้วก็คือเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาททีนี้ในเมื่อเป็ น, ปนลักษณะอย่างนั้นเรามองดูแล้วนเราจะอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เอาเถอะถึงจะตายในน้าตายบนบกตายบนอากาศตายไฟเผาตายอะไรก็ตามนะเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราได้แล้วนะอย่างเหมือนกับพระรหันะถ้าตายที่ไหนก็คือพระรหันะตายแช่น้ำตายบนบกตายตกอากาศตายตกเครื่องบินก็คือพระรหันตายคือพันเป็นพระรหันอันนั้นแปลว่า ตายอยู่ยังไงก็คือพระหรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสแล้วไม่ต้องไปตกไม่ต้องกังวลกับท่านท่านใช้กรรมของท่านใช้วิบากของท่านแต่ถ้าผู้ทุชนคนที่มีกิเลสตายถึงจะไปตายอยู่ในที่หอพระอบทองคําก็เถอะกับผู้มีกิเลสตายพอตายเจอแล้วก็นั้น ไปสวยกรรมไปตกนรกหมกไหมเพราะอไรเพราะกรรมตัวเองได้กระทําไว้เพราะนั้นพระหรหันตายกับคนมีกิเลสหนาปัญญาอยากตายมันต่างกันแน่ลูกหลานนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะการประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่าไปแข่งใครอย่าไปเอาชนะใคร เอาชนะตัวเองนั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดเอาชนะใจของตนเองและเลิศประเสริฐแต่เอาชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนชนะเขาได้แต่ไม่ชนะใจตัวเองนั่นแหะใจตัวเองนั่นแหะจะพาไปตกนโลกหมกใหม่เพราะอะไรเพราะเราไปมองแต่ข้างนอกไม่เอาไม่มองข้างในข้างในตัวเองเป็นยังไง คุณงามความดีของเราเพียงพอหรือ ย, ยังบุญกุศลของเราเตรียมพร้อมหรือ ย, ยังสิ่งไหนที่เราควรจะทำเราทำให้กับตัวเองเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังนี่แหละให้มองตนเองถ้ามองแต่คนอื่นเขาคนอื่นหน้าจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนจะทำดีอย่างนั้นคนจะทำดีอย่างงั้นคนจะโพดีอย่างนั้นคนจะโพดีอย่างนี้ เราจะไปแต่งคนอื่นได้ยังไงเพราะคนของคนอื่นแต่ก็แต่งได้อยู่บอกได้อยู่แต่เขาไม่ทําตามนะเราจะไปทุกข์ร้องโหมร้องไห้ทั้งวีทั้งวันก็ใช่เรื่องอีกเหมือนกันนะ เ, เมื่อเขาไม่ฟังคำแนละ้วก็อเอากรรมของสรรพสัตว์กรรมของเขากรรมของเรา เ, เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันดีไม่ได้จะทำยังไงอเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเราเกิดมาในโลกยุคนี้สมัยนี้ มันเป็นอย่างนี้ เ, เราก็พร้อมที่ทจะปล่อยวางปล่อยวางที่ใจของเร า, เ, าเป็นผูเ้เป็นผู้ยอมแพ้โลกบายบายโลกแต่ในใจของเราเอาชนะกิเลสภายในใจเราจึงไหนที่มันไม่ดีเราไม่คิดไม่ทำไม่พูดในจุดนั้นในใจของเราอันนี้เราเอาชนะในใจของเรานั่นแหละอันนี้คือในหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าบัณฑิตนักปราดการว่าปราดตัว น, นี้เอาชนะใจตนเองนะลูกหลานนะไม่ใช่เอาชนะคนอื่นนะแต่ชนะคนอื่นมันชนะไม่เป็นหรอกชนะคนนี้คนนั้นมาชนะคนนั้นคนนี้มาคืเหมือน น, นักมวยเลยพวกเราเคยเห็นไหมนักมวยคนหนึ่เอาชนะคนนี้ได้เขาก็คนอื่นก็ขึ้นมาประลองเองเ อ, อผลที่สุดมันจะไปสู้เขาได้อย่างไงใช่ไหมละ่ะอีกสักวันหนึ่งตัวเองก็หมอบเหมือนกันนะ มันเอาชนะไม่ได้หรอกเอาชนะในโลกเนี่ยนะ เ, เขาจะต้องคัดสรรเข้ามาเพื่อจะมาหักล้างเราให้ได้แต่เอาชนะในใจตัวเองนะนะั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดเออเาชนะใจตัวเองคือมันใจของเรานะ่ยมีอะไรมีกิเลสใช่ไหมกิเลสราคะใช่ไหมกิเลสโทสะโมหะใช่ไหมแล้วก็ใช้ตปะธรรม คือศีลสมาธิปัญญาเข้ามากันกรองไตรตองเผาชำระเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละเลิศประเสริฐเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนั้นแปลว่าชนะแบบเด็ดขาดชนะแบบเด็ดขาดคือชนะใจตนเองแต่ชนะภายนอกมันไม่เด็ดขาดนะเหมือนกับรามวยเอกมันจะเอกขนาดไหนก็เถอะนะ พอชนะคนนี้ได้กันพยองพองตัวยกกล้ามขึ้นมาอีกไม่นานก็เอาคู่อื่นเข้ามามาปะลองเอกถ้าเก่งอง ก, กับชนะเอก อ, กอีกสักครั้งหนึ่งยผลที่สุดตัวเองก็หมอบอีกเหมือนกันนั่นนะมันชนะไม่ได้ชนะในโลกนะมีแต่ชนะใจแต่นะเลิศประเสริฐที่สุดเพราะนั้นขอให้พวกเรามาฝึกฝน อยู่ในวัดวาสานามาฝึกฝนในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เอาชนะใจตนเองเนอท่านไม่ได้คิดให้ชนะคนอื่นได้ชนะคนอื่นหมื่นแสนชูชนะใจตนเองไม่ได้ถ้าเอาชนะใจตนเองได้นะเลิศประเสริฐที่สุดเนะพราะนั้นพวกเราอนะั้นอากาศดีๆอย่างนี้นะ พอกลับไปกุติแล้วก็ปัดกวาดทำความสาะอาดจากนั้นนั่งภาวนาเลยดูใจของตัวเยพุทโธพุทโธบังคับให้ใจตัวเองอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าหายใจออกอนี่แหละจนทําจิตใจให้สงบจิตใจสงบเป็นหนึ่งใจไม่ฟุ้งไม่ปุ้งไม่ฟุงฟ้งไม่สานไม่คิดถึงอดีตไม่คิดอน า, นาคตมันคิดไปทําไมมันได้อะไรมันคิดมาจนพอแรงแล้ว มันมีแต่เสียหายมันมีแต่เสียใช่ไหมสงใจออกไปนอกมันเสียใช่ไหอ ม, มันไม่เหมือนส่งสินค้านะถ้าส่งสินค้าออกนอกนะ่งขายไปต่างประเทศ น, นะได้กําไรแต่สงใจออกไปข้างนอกขาดทุนป น, น, นปนปี้ไปหมดอดูนะมันได้กําไรเมื่อไรสงใจออกไปนอกเดี๋ยวก็ร้อนใจร้อนเดี๋ยวก็ใจเป็นบ้าเดี๋ยวก็ใจปงงุงฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็คิดถึงคุณนะัทคิดถึงนะคิดไปทําไม คนอื่นไม่เห็นคิดถึงเราเลยเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเขาไม่รู้ทารอนทำไมเราเป็นบ้าไปฮะคิดถึงเขาทำไมเงาเราโง่นักนะใจเยนะมันต้องสอนใจอย่างนั้นนะลูกหลานนะเอาชนะใจตัวเองนะเลิศประเสริฐสรุปแล้วนะเอารับพรอะตนี้ย